ต้องทำกันท่าน่อจะพูดให้ัำรับรองว่าไม่โกหกหมดเทตแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยถ้าทายขอท่าทายในความจริงในความจริงก็คือสิ่งที่เราได้ทำอยู่นี่แหละ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 ความรู้สึกตัวก็คือความเพียงแล้วคือความรู้สึกตัวแล้วคือความถูกต้องแล้วอยู่โดยชอบแล้วมันชอบแล้ว <c oughs> ปฏิบัติก็ปฏิบัติชอบแล้วสร้างความรู้สึกตัวจับลองดูสัมผัสลองดูความหลงมันเจออะไรเกี่ยวข้องกับความหลงอย่างไรความหลงก็บอกอยู่แล้ว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 <c oughs> เครื่องเรดารที่มันจับตัตรตูตล้วก็เกี่ยวข้องกับมันแต่ามันจะเป็นอันตรายแล้วก็บอกมันนี้เลยทางอื่นเห็นทหารผู้รักษาประเทศชาติถ้าเห็นเครื่องวินลกเข้ามาผ่านน่านฟ้าเห็นประเทศไทย เขาบอกว่าออกไปออกไปถ้าไม่ออกไปจะยิงนะเขาก็บอกเขาก็หลบลบแต่ถ้าเห็นอันที่ไม่มีใครเช่นเห็นเครื่องบินโดยสารเขาก็อนุญาตให้ผ่านไม่เป็นอันตรายการปฏิบัติธรรม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 โยธรรมังปัจสติันธรรมังปัจสติัผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าเขาชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะสิงนี้มีสิ่งนี้จึงไม่มีผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทฉายให้เราดูเป็นหลัง เราเป็นเรื่องก็เรื่องเดียวจบเลยไม่มีหลายเรื่องมั้งเหอเขาสร้างคือว่าละครอะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นแต่งขึ้นแต่เรื่องของชีวิตเราไม่ได้แต่งมันเป็นของมันตัวเองอเพราะสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันจึิงมีเพราะมันมีกติทุกมันจึงไม่มีความหลงมันจึงไม่มี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 <c oughs> ต้องดูมันวันเราไปเจ็บเห็ดไปถึงป่าเราก็ไปยืนไปเล่นอยู่ไม่ได้ดู ไ, ได้แล่อะไรไม่ได้เห็นอะไรแต่ดูหัดดูไปเหตุลราโงกเป็นยังไงเหตุตะไครเป็นยังไงเหตุปวดเหต <c oughs> ุอะไรอะไรมันเคยเลยสิ่งที่มันใช้ได้สิ่งที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็เจ็บโ อ, อ้อันที่มันใช้ได้ ในบางทีตาเนี่ยถ้าดูไปมันก็รู้ผิดรู้ถูกกันกิดเหตุอะไรใช่มันเบื่อมันเมาตาสายตาดูมันก็รู้แหละสายตาดูไม่ออกมันก็อาศัยกลิ่นถ้าอาศัยกลิ่นดูไม่ออกมันก็ดูลักษณะถ้าเป็นเหตุอะไรที่มันไม่แมงไม่หนอนกินก็แสดงว่าเราก็กินได้ ตาเห็ดดอกใดที่มันบริสุทธิ์เตี้ยงก็ไม่ไมีแมลงกินเลยอดอกใยแสดงว่ากินไม่ได้มันก็บอกมคมจิงมันก็บอกถ้าดูนะตานะถ้าตาแห่งปัญญาตาในคือความรู้สึกตัวถ้าได้เห็นแล้วมันก็บอกโดยตรงไม่ต้องไปดมไม่ต้องไปดูอีกหลายอย่าง พอมันเห็นแล้วมันก็รู้ทันทีมันก็ไปายกุศลแล้ก็ไปทางกุศลใช่ได้เป็นความรู้จากตัวมันใช่ได้เลยจับไว้ใช่เลยตาเห็นโล ก, ก็ใช่ได้เลยหูได้ยินเสียงก็ใช่ได้เลยใจมันได้กลิน่นได้รสก็ใช่ได้จิตใจที่มันกบมันคิดขึ้นมาก็ใช่ได้จับความคิดไว้ใช่จับตาจับหู หมาใช่ให้สําเร็จประโยชน์แต่ถ้ามันใช่เราเราก็แปลว่าไม่ถูกต้องเราก็สลัดความเป็นทาตมาเป็นนายานั้ะจับมัามาใส่ลูบสุดตัวยึดนะความลูบตัวมันยึดเอาขึ้นมาแต่มันไม่ยึดกับล่างล่างแล้วสาดแล้วความลูบสุดตัวใช่เท่าใดก็ยิ่งเชลียวฉลาดยิ่งคล้องตัว ยิ่งคล้องตัวเหมือนเราใช้มีดเราฟันไม้เราถากไม้เราเหลาไม้แล้วเราได้เหลาโดยมีดของเราโดยฟันโดยมีดของเราแล้ก็ที่แรกก็เหลาไม่เป็นเป็นเหลาตีนบาดเหลามันตอกอะไรต่างๆเราไปเรามาแล้ก็คล้องตัวตาไม่ต้องดูมันกน็วณนไปเองมันคล้องไปเองมาเจ้ารวบใดรวบใด เราคองเปเองมีเต็มเดียวแต่คนที่ไม่เคยใช้มี้มันก็ทําให้เป็นปิตาปะเรามีกายเรามีใจเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวมันมีความหลงบางทีเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัวไปใช้ความหลงความหลงยึงพาให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดแล้วเกิดติดเรื่องเป็นราว แต่เราพันจากแตยังใช้มันอยู่เราจะมหาช่ายมหาช่ายความรู้สึกตัวมาสร้างด้วยมาใช้ด้วยพอมันพอสร้างมันมีเราก็ใช่ได้เลยความรู้สึกตัวมันมีเพื่อใช้มันมีเพื่อรักษาเราใช้มันมันมันดูแลเราด้วยําำัปสิ่งที่เรามาสร้างมันเป็นจริงมันมีของจริงและสิ่งที่เราเห็นมันก็ไม่อยู่เห็นกายอย่างนี่ยเห็นเวทนา เห็นจิตเผื่อมันคิดเห็นกาย็คือมันเคลื่อนมันไหวเห็นเวทนาเผื่ออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีเป็นร้อนเป็นหนาวก็ดีเป็นปวดเป็นเมื่อยก็ดีอันเราเรียกว่าเวทนาทั้งนั้นเราจะตั้งชื่อมันตั้งชื่อตามพระพุทธเจ้าภาษาพระพุทธเจ้า ภาษาบาลเรากเรียกว่าสูขว่าทุกว่าร้อนว่าหนาวว่าหิวว่าเหนื่อยปวดไปต่างๆแล้วแต่จะสมมุติเรียกกันจะเรียกรวมๆก็เรียกว่าเวทนาจะเรียกให้ใสรุปยอดก็เรียกว่าอาการให้ว่าสรุปยอดให้มันอาการอาการของกายอาการของจิตใจจิตก็คือมันคิดอะไรความคิดที่มันได้ตั้งใจ ที่มันรักคิดขึ้นมาแทงหน้าแจงหลังให้เราก็คิดมันก็ชุกชนพอสมควรมันก็ชุกชนพอสมควรมาข้างซ้ายมาข้างขวามาข้างหน้าทำให้เราหยุดชะ ง, งักกนี้เหมือนคนอินเดีย <c oughs> คนขอทานอินเดียเราเดินไปไหนมันไปตามไปมาข้างซ้ายบ้างเราไม่สนใจมาข้างขวาบ้าง เราทำท่าจับโนนชัรีเล็กมาข้างขวาบ้างเราไม่จับอะไรก็มันนึกว่าเราไม่เห็นมันก็เดินมาข้างหน้าขังหน้าเราบ้างเพื่อให้เราได้เห็นได้เกี่ยวข้องกับมันแต่เราก็ไม่สนใจเดินข้ามน้ำเดินข้ามแม่น้ำเนลันฉลาไปสบายไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องบอกันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไป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 ไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปว่ามันดอหน้า <c oughs> ที่เราก็เดินไปเรื่อยๆลู่ไปเรื่อยๆมันก็มาทางมันก็มาทางหนึ่งพอที่มันไม่มาคนเดียวด้วยมาพวกข้างหน้าวิ่งมาใส่พวกข้างหลังก็วิ่งตามมาเป็นเก้าคนสิบคนรอบเราอยู่เห็นเราจกกระเป๋าดีด่อยมันลุมเข้ามา ไว่าเราจะจบอะไรให้เราจะเอาเงินเอาทองลุ่มก็มาการจำรัดการจำรัดเอาขาไปตอขามันมันส่วนหนาส่วนไหนล่มพวกเรนหนีเด็กหน่อยมันเรนหนี้พราการจำรัดเอาขาไปไยมันเดินแข้งหน้ า, าไปอะไรขาล่มลงก็แล้วมนันรื่งหนีเลยดีก็เอาไปนั่นจำนี้นะ เรื่องความง่วงเอาหวนอนมันจะแทรกกันไปเืมเราให้มันหลงสนไปเลยไปเปลี่ยนกันเองถ้ามันไปไม่ได้ก็ใช้พลังถ้ามานั่งอยู่มันยังนั่งยู่มันยังง่วมอยู่ใช้พลัง <c oughs> อันเดียวอาจะลุกขึ้นเดินอาจจะดูท่องฟ้าะจะดูก่อนเมฆอาจะดูโยอดไม้ควาคมรู้สึกไปอย่างอื่นะ <c oughs> กับตะลบัดมา เอ้มันหลงส้นเหมือนหมาไอะไรก็ตายก็าต่ายมันวิ่งย่นย่นจไปหมาก็วิ่งตามไปมันหักหลังปับ๊บไมเกี่ยวนะ่ะปับไม่เกี่ยวมาจะวิ่งไปตัวหมาจะอยู่ได้ก็ตายวิ่งไปไกลกันหลงตัวสองส้นกปแล้การปฏิบัติธรรมก็มืนกันหักหลังมันลงดูมันง่วงอะไรก็ปับ๊บก็จะเปลี่ยนอย่างไร เรีว่าปฏิบัติจยางใปเรามีวิธีเยอะแยะนะเทคนิคการปฏิบัติทำเนี่ยให้มันฉิดหลาบบ้างความหลงก็ดีความง่วงก็ดีความคิดก็ดีพยาบาทก็ดีสามมาลาคะก็ดีมานะชิตถิก็ ด, กดีให้มันหลงชนบ้างอย่าไปทำแบบภมกคุ ม, ค, มคือคือค อ, อย่าไปทำแบบลูกๆคำๆ บางอย่างก็เด็ดขาดเราสอนลูกตัวนะ่ะเด็ดขาดพูดคําเดียวเด็ดขาดใช่ความเด็ดขาดก็เป็นการผัดลูกไปอย่างตัวการหัดตเตรียงก็เหมือ น, นกันมีบทเด็ดขาดมีบทตอนโยนสุขขุมหลอกครอบใช่ได้หลายอย่างการปฏิวัติมันเป็นความดีมันมีให้ใช้ความดีทั้งหลายทั้งหลายมันบอก มันเฉลียวฉลาดยียบโนนมาหยิบนี่มาแล้วก็ทําได้เสด้วยตายของเราเนะี่ยใจขเขาก็เหมือนกันตาหูก็เหมือนกันไม่อยากดูไม่บางทีไม่อยากเห็นนย่างนะั้นกลังเจริญสติอยู่เนะี่ยบางทีคนมาพูดยังไม่ได้ยินเลยบางทีกําลังปฏิบัติทำอยู่เนะี่ยเขาตีเะาังสันเพนยังไม่ได้ยินเลยะทัางทีไม่อยู่ใกล้กัน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 ไม่ได้ไม่ได้สั้นเท่าน่อนเตาเห็นลูกก็ยาวไปหูได้ยินเสียงก็ยาวไปใจมันคิดก็ยาวไปปฏิบัติให้มันใกล้ๆ้ให้มันสั้นๆั้นนะทำให้มันสั้นสั้นเรื่องอะไรต่างๆให้มันสั้นๆั้นเหมือนกับลมอยู่ในปลายจมูกมันสั้นสั้นสิ่งที่มันสั้นสั้นมันสำเร็จประโยชน์นะมันลมผ่านปลายจมูก มันก็รู้ได้แค่นี้ไม่ใช่ไปตามลงถึงกระดือออกมายาวไม่ต้องเนาะเพียงมันสั้นสั้นมันรู้เฉพาะสั้นๆั้นรู้ไวไวรู้สาเร็จประโยชน์อย่าไปรู้แบบเนิน่าอย่าไปรู้แบบยืดยาวรู้สั้นสั้นรู้ป๊บรู้ป๊บรู้ป๊บจะเนี่ยทาให้มันง่ายๆ่นี่ย ไม่ใช่ไปตามเอาจนเบือนะ่อเดินก็ไม่จะไป ย, ออ ย, ย่องเอจนระวังจนเจหน้าเจหลังสั่นดดดดเตดเตดขนเ จ, จี๋ยงไม่ไหวเดินแค่ไเดินสั่นสั่นลูสั่นสั่นนะที่เราบทอะไรก็ตามให้มันสั่นสั่ตาเห็นโูกก็แค่นี่เองโอ้ยเนเสียงก็แค่นี่เองแตนะ่มันยาวของตะมันยาวของที่มันไกลมันใช่ไม่ได้ อ้อนให้มันอยู่ใกล้ๆมันใช่ไหมหลงให้หลงใกล้ๆโกรธให้โกรธใกล้ๆทุกข์ให้ทุกข์ใกล้ๆใกล้กับคกองทุกข์เรียกว่าอยู่ใกล้ๆปฏิบัติธรรมเรยว่ใกล้ความใกล้สิ่ใกล้ธรรมแบบนี้ว่าอุบาสกเรียกว่าอุบาสิกาในตัวปฏิบัติที่เราทําอยู่แล้วก็มันทําได้ทุกอย่างด้วยอย่างที่เราพบเห็นมันทําได้ทุกอย่าง ทำให้เป็นเรื่องดีได้ทุกอย่างปฏิบัติได้ทุกอย่างอันที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเลยแต่นอกกายนอกใจป่ากฎการนั่นเราไม่เกี่ยวของถ้าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องด้วยแต่เรานั่งเราพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่กะทีเดียวกันคนสองคนอย่างนี่ยคนหนึ่งเขาสองคนเขาคุยกันแล้วนั่งป่ากฎการเราปฏิเสธไม่ได้จะไปโกรธเขาเราก็ทำของเราเอาใช้ลองดู ขยั le ขนจนนั้นลองดูเขาพูด <HP> กันวมบเราไม่สนใจเขาเราทําของเราสวนทางมาทางนี้กลับมาทางนี้ถ้ากลับได้ตรงที่มันลุ่นแรงเหมือนกับเราเกาะหลักไว้แน่นเวลาน้ามันพัดมาจับไว้ให้แน่นแ่นมันก็ไม่ไปเราก็จะมีพลังในตอนนั้นด้วยมีบทเรียนในตอนนั้นด้วย เราลุยสักตัวเราลุยสักตัวนะลองดูตรงท่านถ้าเป็นตัวปฏิบัติตรงนั้นอาจจะทําให้เรามีพลังมีความเพียรมีศิลปะจะไปแก้ปรากฏการเขาทำนะเขาพูดเราไม่ชอบคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึ่งก็มาทําร้อยไม่ะลูกก็ล่ะเทศะเอา้ามันไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ได้สอนตัวเองเลยไปแก้ภายนอกไม่ใช่ลูกปฏิจจสมุ ป, ปบาท ปะด็นเจตสมุปบาทมันโอ้มันเกิดถ้าไม่เห็นไม่ไปใจแล้วก็เจ่กันตักมันแล้วทาสิ่งที่เราทําได้ถ้าจะไปบอกเขามันทําได้ยากกว่าการบอกเราแต่การบอกตัวเรามันทําได้ง่ายนิดเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยไม่กระทบกระเทือนด้วยบัวไม่ช้ำหน้าไม่กุ้นด้วยแล้วก็เป็นผลดีแก่เราด้วยในในโอกาสที่เกิดนั้นนะบางทีมันก็มีปรากฏการณ์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 บางทีเราก็ยอมกับตัวเราแพ่ตัวเราบางทีตัวเร า, ท า, ทเราทแท้ๆเลยยางแพ้แล้วจะไปชนะคนอื่นได้ยังไงเราจึงฝึกหัดดัดแปลแก้ไขปรับปรุงนะมันเห็นหือเปล่าการปฏิบัติธรรมมันเห็นมันพบเห็นอะไรอยู่ตะลอดเวลาไม่ต้องไปถามว่าทำทำไมทำทำไม ท, ทำเพื่ออะไรถ้าไม่ท ำ, ม, ทำ ม, มันจะเป็นอะไรถ้าทำแล้วมันรู้มันจะเป็นยังไง อันนั้นไปไปถามมันไม่มี่ยพอเรายกมือสร้างจัรกรวามันก็รู้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วโดยตรงอยู่แล้วพลิกมื อ, มอขึ้นยกมือขึ้นเคลื่อนไหวไปมาลู่สึกระลึกได้มันก็วิ่งอยู่แล้วมันก็เป็นอยู่แล้วมั น, น, ม น, มน ก, ก็เห็นอยู่แล้วมันผิดมันถูกเราก็เห็นอยู่แล้วเราเกี่ยวข้องกับความผิดความถูกเราก็ทําอยู่แล้วทําได้บ้างไปได้บ้างเราก็ทําอยู่ถ้าทําได้ก็ ชอบใจถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ชอบใจไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกละอะทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ทําอมันได้ก็ทําไปไม่ได้ก็ทําไปลู่อยู่ลู่อยู่ลู่อยู่มันหลงเราก็ลู่อยู่มันหลงเราก็อยู่ลู่อยู่มันหลงเราหลงไปเราก็กลับว่าลู่นี่สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยทำแค่นี้แต่ว่ามันไปไกลไม่ใช่ไป เอาไกลมาหาไกลตั้งต้นจากไกลๆตัวเรามันไปออกไปเหมือนเราเดินแต่ละก้าวก้าวแต่ละก้าวมีความหมายมันก็ไปไกลเรื่อยๆไปการปฏิบัตินี่ก็มันลู่แต่ละลู่ลู่แต่ละลู่ความลู่แต่ละขั้งความลู่แต่ละขั้งที่มีรูปแบบที่มีอริบุตรอะมันก็เป็นไปอย่างนี้โอ้กลัว่ามันจะ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 เราไปถึงไหนแล้วน่ยเดิน ม, มานานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงยังอีกไกลเท่าไหร่คำหนึ่งคำนวณเขาบอกเขาบอกโอ้ยไกลอ่อนลา่าไปเลยเรื่องใกล้เรื่องไกลไม่มีความหมายเราจะเดินไป ม, มันดีกว่าไม่ชส้นเปืองพลังงานอย่าประเมินการปฏิบัติครับทำไปเรื่อยๆมีกรรมในการกระทำการกระทำจำแนกไปเอง จะพ้นจากอิเล็กมันก็จะพ้นไปเองพ้นจากความทุกข์มันก็จะพ้นไปเองเ ม, มืเอม่อมีการกระทำไม่ใช่ไปว เ, เราลู่หรือเปล่าจิตใจเราสูงขึ้นหรือเปล่าไปไม่ถึงไหนเลยเลยเนี่ยอาจจะว่าตัวเองเลยสำเนียงสมนวนก็ทอดแค่ไม่ต้องทำแบบการห้ลู่สึกตัวไปเลยเลยรููสึกตัวไปเลยเลย จะมารู้ก่อสร้างความรู้กีริยาเหยวบทต่างๆเอามาใช้ขยันตรงนี้ขยันตรงนี้ถ้าขยันตรงนี้มันก็ขยันทุกอย่างมันก็ไปตัดไปไกลจากทุกอย่างถ้าขยันรู้สึกตัวเอากายมาเป็นปัดจุบัรณ์สิ่งใดที่ทําให้หลงมาเป็นความรู้ <c oughs> เป็นความรู้เป็นความรู้ไปมีตัวปฏิบัติตัวที่จะต้องเหตุทำ ตัวที่จะเห็นปฏิเจติสมุปปบาทปฏิเจตสมุปปบาทไม่ใช่ไปเติดเปิดตําราไม่ใช่ไปจาําเมามันจะเห็นมันจะออกปาให้เราเห็นแม้บางทีเราเห็นอยู่ผ่านตาเราอยู่ผ่านการกระทําอยู่ที่มันลงเนี่ยเรียกว่าปฏิเจตสมุปปบาทแล้วมันรู้ก็เรียกว่าปฏิเจสมุปปบาทแล้วมันห ล, ล, ลงคืออะไรคืออวิสสา ความลูกคืออะไรคือวิชาเพราะอาวิชามันก็เกิดการปรงแต่งเมื่อเกิดการปรุงแต่งก็เกิดนามาลูกนะนามาลูกคือมันเกิดแบบเกิดรักเกิดชังเกิดชอบเกิดไม่ชอบนามาลูกเต็มทีเราเป็นภพเป็นชาติเมืม่อมีนามาลู ก, กมันก็มีอายตนะอา้าวอายตนะก็งอกขึ้นมาอ่างอกงามขึ้นมามีม่ลดในอายตนะแล้ว ห, หู ก, ก็มีลด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 ก็ยึดมัน่นถือมั่นไปอีกแล้วเป็นพบเป็นชาติไปอีกแล้วภ พ, นวพหนึ่งชาติหนึ่งทันทีเกิดดับเกิดดับเกิดดับทันทีพยันเกิดแล้วตรงไหนบ้างพยันเกิดแล้วถ้าลงก็เกิดแล้วถ้ารู้สึกตัวแล้วบ้าปฏิเิรสมุปบาทฝ่ายนิโรธวนันทอยกลับมามันก็ลือ่อครือว่าขุมขุมกำเนิดของการ วามีวิชาเกิดความรูงมันก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่มีสังขารตรงแ่กไม่มีนามลูกภูมิกำเนิดของนามลูกนามลูกไม่มีแล้วบะเมื่อนามลูกไม่มีอายตนะก็สํมรวมหลงไม่มีไม่ได้หลงบนอายตนะอายตนะไม่ต้องใช่เลยเราใช้อายตนะไม่ให้มันใช้เราสํารวมลงคุมได้ปัจจััจจที่ทำให้เกิด หลงก็ น, น้อยหลงมีแต่ผัสสะมีแต่อินสติอินสีผัสสะคุมแลไรบ้างมันก็ถอนทิศถอนทิศให้ชีวิตเราหอมโลดจิตตัวแต่ไม่ใช่ถอนทิศก็คุมกําเนิดมันไว้นะคุมกําเนิดนหน่อยหว่าวิสังขารเป็นตัวคุมกําเนิดของสังขารทั้งปวง เมื่อไม่มีสังขารทั้งวงสังบ์ได้เสียแล้วที่สังขารปรมาทุก ข, ขาสังับสังขารใี้ได้อยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทั้งที่เราสวดอนิจจาวัะสังขาราสังขารเกิดขึ้นแก่เราแล้วอุปบท้าววิทยธรรมินโนพรเราไปยึดไว้ก็ไปคิดตวานิถรันติเข้าไปละงับเสีย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 ให้มันเกิดเขาคุมยาหญ้าข า, าเดี๋ยวนี้พ <c oughs> วกเราอันตรายสังขารที่เขาคุมเขาคุมกําเนิดของหญ้าคาทุวันนี้นะเขาไม่ไทยเลวแม่นวักปัทยโยกพราะว่าไงเขาปลูกมั่นปลูกเหมือนเขาปรไทยเลย <c oughs> เขาอยากขีดขาา่ายยาปลูกมัน่นปลูกโคตรไปเลยทุกคน นะเราเดินธรรมญาตาเป็นปีที่สามที่สี่ไม่มีผลเลยยิ่งกำเริบเกิดขึ้นมากการใช้ยาพิษปราบยาทุกวันนี้รุนแรงมากยาท่วมหัวอะก็ฉีดยาเข้าไปติดตายหมดเลยเน่าลงแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ขึ้นเปลืองมันก็ับไปจ้างรถไถไปจ้างคนดายยาหายหมาเลยยาแล้วก็ โมันสูกผลไม้แลทํทำอยู่ทางบ้านเก่ายาดีป่าญาติเมื่อก่อีเลงไปเ็าลงทุนเป็นระา น, นั่นเร่นั้นย่ะาป่าพงยญ้าคาท่วงหัวนี่ตายล ง, งไปนะพอในชอก็อฝนกระทบผนไหลลงมาสู่น้ำลำบะทาวพวกเราก็ติดใช้น้ำลำบะทาวเาก็เราก็ลำบาก ต่อไปต้องเลิกกันแล้วเลิกใช้น้ำลำาะทาววิธีใดที่ไม่ต้องใช้น้ำลำาะทาวต้องหาวิธีแล้วอาจจะกดน้าบ่อสำหรับว้านใหม่สัตนตาก็ยังมีน้าบ่อใช้แต่ถา้าวัดไฟหวานเลยลำบากบางวันเนยเหม็นเหมือนกับเหมือนกับสัตวตายในออคงไปไปเปิดเขาออกมาเนี่เหม็น มันเหม็นอะไรไปมามันเหม็นเหม็นน้าเหม็นสารพิษต่างๆอันตรายรอบตาลเราเพราะอะไรอัไก็เรื่องเรื่องโรคโรคไอเราก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องมาลงอยู่ที่ตัวเราจากโรคภายในโรคภายนอกแทรกซ้อนเข้ามาดั่งที่หลวงพ่อพุทธวารเนะโยงลายสายพันธุ์ใหม่โรคไข่ไข่เจ็บที่มันคลุกคามเรา ส่วนนี่มันพัฒนามันกันแต่เราก็ต้องพัฒนาการเที่ยโลกก็ก็ยังมีหมอมีคนบื่นช่วยเรามียาแก้ ป, ปวดมียาถอนพิษมียาไปดูลงปูคขสิ้งน้าท่วมปอดน้าท่วมไต <c oughs> จะหายบมอป่จะหายห่หลวงพอ่อ <c oughs> ไปเส้นไม่รีบไปยั้ ไ, ได้ น้ำท่วมปอดมีปอดก็มีน้ำท่วมมีไตก็มีน้ำท่วมก็ต้องสูบออกสูบน้ำออกจากปอดได้ทีละสามสิบสี่ีสี่สิบีีนะแล้วนั้นก็มีคนช่วยนะแต่ว่าปิดใจของเราเนี่ยอารมณ์ต่างๆความหลงของโกรธเลยไม่มีใครช่วยตัวเราเราต้องช่วยต้องมาสร้างฟูมคุ้มกัด ความรู้สึกตัวมันจืดนะลดของโลกมันจะจืดนะความโลภจืดลงความหลงจืดลงความโกรธจืดลงความทุกข์จืดลงไปจนไม่มีอะไรจืดนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าหลวงพ่อเทียนสาธิตให้หลวงพ่อดูสมัยปฏิบัติธรรมมันเอามือไปเตะก้นเด็กน้อยก้นเด็กน่อยเป็นเลยไม่เพี้ยน คนดกนอดเด็กหน่อยมันแดงองต้องเห็นวะเอามือไปแตะมันเป็นเมือไปแตะเอามือไปแตะมันสิจเกืดมันติดขาวอถอดมือออกก็จะเย้มเป็นสีแดงใช่ไหมเอามือไปแตะมันติดเกลือดมันเป็นอย่างนั้นนะให้มันเป็นเชิงซ้นให้มันจืดเสร็จหลวงพ่อเทียนบอกให้มันจืดเสร็มันไม่มีสีมีเสียงมีอะไรมันจืดโกรธก็จืดทุกข์ก็จืดหล้มก็จืด ความทุกข์ทั้งปวงมันจืดเหมือนกับยาถอนพิษความรู้สึกตัวน่ะความรู้สึกตัวนมันจืดจริงจิ๊เอาไปวางลงความโกรธความโจโกรธก็จืดไปวางลงความหลงความหลงก็จืดไปวางบนความทุกข์ความทุกข์ก็จืดขอให้เราใช้ขอให้เราสร้างให้วันนี้ความรู้สึกตัวน่ะถ้าไม่มีก็ลําบากเลยชีวิตของเราขาดตรงนี้เราก็ขาดทั้งหมดเลย นะถ้ามันมีความรู้จึกตววกวามมาัวความหลงมาแทนเราความหลงมาแทนเราจะอยู่ได้หรือเราอยู่ได้เพราะความรู้จึกตัวนะทุกวันเนี่ยแต่เราไม่ค่อยให้โอกาสเราอยู่ได้เพราะมรรคผลนิพพานทุกวันนี้นะความเย็นความหยุดใจเราอยู่ได้ถ้ามันร้อนตลอดเวลาโกรธตลอดเวลาหนักอกหนักใจตลอดเวลาเราอยู่ไม่ได้วันนี้ดอกก่อนตายไปแล้ว มักฝนในผ่านแท่แท้ที่เราให้อยู่ได้ที่ทําให้เราอยู่ได้บางทีมันก็นเย็นสบายเบาอกเบาใจหน้าตาสดชื่นนั่นแหละนิพพานนิพพานน้อยน้อยนิพพานชิมลองเราใส่ใจตัวเองให้มากมาสร้างนิพพานสร้างความเย็นอกเย็นใจสร้างความเบาอกเบาใจสร้างความปล่อยความบาง โดยเฉพาะปฏิวัติโดยตรงเลือกได้โดยตรงเพื่อให้งอกให้งามทัดเยลาแต่ถ้ารอให้เป็นไปธารมธรรมชาติมันก็นานเกินไปมันก็ยาวเกินไประยดการเดินทางมันก็ยาวเกินไปเดี๋ยวนี่ขอเขาย่อแล้วขอย่อนแล้วเราพัฒนาแล้วอย่างน้อยก็วัดป่าสุขโตขอพัฒนาเรื่องนี้ทําให้มันสั้นทํำให้มัน สั้นๆขวายา้มันยาวอทางโบราณท่านว่าจิบแ ม, ม่ม น, มน้ำข้าแม่น้ำกลายเป็นแผ่นดินเดียวแผ่นดินแต่ทางเก่าขึ้นจิบขึ้นอย อ, อเป็นข้าวเมืองไปคอนเจนมอวันมาทางน้องเรือจากน้องเลือมาวัานน้องแกเดินทางสองขึ้นเดวนี้อย อ, อเป็นข้าวเมือ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 เอาไปไกลกันแล้วมาทุกทําไมาหลงทำไมมาโลภตัวนี่ให้มันทันโลกเขา้าไม่เช่นนั้นมันจะไม่ไหวแล้วทุกวันนี้นะสิ่งเวล่อมันไม่เหมือนเก่าสิบปีก่อนกับวันนี้มันไม่เหมือนเก่าห้าสิบปีก่อนยิ่งไกลกันไปคนมีผัวมีเมียก็ไม่เหมือนคนสมัยโบราณคนมีลูกมีเต้าก็ไม่เหมือนคนสมัยโบราณ คนมีทรัพย์สินแต่ดึงคานก็ไม่มีเหมือนคนโบราณคนเมทวรรณ์ไม่เหมือนคนโบราณบราณนะมันมีมีมันมีเพื่อจะสร้างให้เกิดอะไรเป็นมากมายหลายอย่างแต่ก่อนคนจนอาศัยคนมีคนเม่อาศัยคนจนแต่นี่ก็ไปกันไกลออกไปไกลออกกว่าพ่อแม่ก็ไกลลูกไปลูกก็ไกลพ่อไกลแม่ความคิดของลูก กับความคิดของแม่ไปคนละเรื่องกันเลยทุกวันนะบางทีลูกวันหลวงพ่ อ, อยังได้ยินนะลูกชายในลูกสองคนแล้วคนที่มีลูกชายลูกชายได้ลูกสองคนสามคนแล้วก็ ม, มาพูดกับพ่อกับแม่ว่าเขาไม่มีอะไรเขาบอกว่าพ่อแม่จะให้ผมอยู่ยังไงพ่อแม่จะต้องยอมรับให้ผมอยู่ยันี้เลย จะพอให้อยู่อย่างนี้เลยทําไมไม่ช่วยเหลือไปล่ะก็ท่วงอะไรไม่เพีย่ยนจังเลอความลูกพูดจังที่แล้วลุดชส้อกสามศอกพูดก็พอกระแมงทีละจะต้องให้แม่ดูแลเจ้าของจะต้องให้พ่อให้แม่ดูแลเจ้าของแล้วไม่คิดว่าจะตัวเองจะต้องไปดูแลพ่อแม่แล้นี่มันเป็นคําพูดของลูกคนสมัยนี้แต่เราไม่มีทําอย่างนี้แล้วเราจะอยู่อย่างไรมันอเราจะต้องไปพึ่งอะไรหวังพึ่งเหลือ หยุดเลยต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองนะถ้าจะไปหวังพึ่งลูกพึ่งเต่าเราอกหักนะอกหักเสียใจมากๆเลยนะไม่มีทางตัวนนีถ้าเขาไม่มีอะไรแล้ว เ, เขาจะต้องมาขอพึ่งเราให้จะให้อะไรจะให้ทํำยังไงต้องรับผิดชอบผมสิให้ผมเกิดมาแล้วเราจะพูดอย่างนี้ละเอียินนะแเราพนะ่อละเอียดนะ ตองมารัิดชอบเขาแต่พ่อแม่บริการลูกไม่ได้โอ้ยลำบากเลยแต่นี่พ่อแม่ต้องบริการลูกให้ได้เึงจะมีค่าสําหรับลูกแต่พ่อแม่คนไหนบริการลูกไม่ได้เลยนะเป็นหมาตัวหนึ่งนะนะว่ามันอย่างนี้ละเนอะแน่นหรอฮะนะนะนะนะว่ามันดายุม่มแต่เมือมเ่อประมาทอะถ้าปฏิบัติทำอยู่นะ ประเทศไทยเราร็จนเลยผูกว่าไม่รูก้ก็จะคิดไปคิดใช่ไหมนะเอาเถอะมากวันนี่นไปคิดอะไรให้ไกลแสนสกลอยากไปหวังลมงๆแรงๆมาเนี่มาปฏิบัติเนี่ยมาดูเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยเจ้ตรงนี้ก่อนว่าเจ้ตรงในใดแล้วมันก็ไปดีของมันเองถูกทุกอย่างแต่เป็นก็เป็นถูกอ่า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 ปัดป่าสุกโตเห็นแล้วันไงเห็นแล้วผักแล้วเคลืนแล้วขับเคลื่อนแล้วยกติดวิญญาณให้มันเคลื่นอนออกไปสักหน่อยมันสูงขึ้นอย่าให้มีสิ่งต่างๆมาทับถมได้ยกขึ้นมายกขึ้นมาฝ่าทำอยู่อ่ปฏิบัติอยู่ทํากันอยู่ทําได้ด้วยมีสติสัมปชัญญะรู้จึกระลึกได้เนี่ที่ลองมาทํายไม่ใช่ว่ากคว่าท่ามเหลวไม่ใช่ไม้ไม่มี ประโยชน์ไม่เป็นไม่เป็นมันถ้ามาเจริญสติไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตามาทำในสิ่งที่มันลือนหูลือนตายกมือสร้างจังหวะเดินจังกรม ม, มาดูโลก อ, าอามาดูโลกมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรที่มันควรไม่ควรผลที่สุด ถึงจะไปไปทางหวางเด็กเกิดขึ้นมาข้างแรกกามือแน่นว่าไอเพีนยนก <c oughs> ามือแ น, น่นนะมันจะเอาพอจะตายลงไปแดมือกันไม่ได้เลยเลยอะไรเลยเอาไม่ใส่มือกบไจับเอาไม่ใส่มือกบไจับแน่นว่ะไอเพียนเนว่ะแนนให้อะไรเลยจังหะสภาพ เอาดอกไม้ใส่เมื่อก่อนเขาจะออฟไลบัตรไสบัตรนมอพัทยกเอาใช้ปากไครอีกเขาบอกเราไปเที่ยวขึ้นมาบัตกูใชต่างให้แม่กูยี่1ิบบาทได้แล้วเก้าบาทยังอีก11บาทเกี่ยวจนเบิด์ตจบาทโวเลืยจว่าทคันได้อะไรไปเลยเฮ้ยวางมันให้ดีกว่านะวางใจมาให้ทิมกันเนี่ยพวแม่ผัวไม่เหาแข่งกัน จะ ไ, ไปวางใจให้มาทำดีต่อการโอ้ไม่หลูกใม่เต๋าเป็นเพื่อนเป็นเมิตร ด, ด้ต่อกันไปจะ ไ, ไปให้มันไก่ก็เละจะบอกพ่อแม่ไม่รับเพศชอบเจ้าของเจ้าของบม่รับเพศชอบเลยเจ้าของจนเพศยังไดงต้องมีอุทานสะัมปทาถึงพรอมหรือขอมันขยนันกันระยะเมตตามีเพื่อนที่ดีจะเป็นแห่งข้าม า, าตาค้ามนี้ สมศรีชีวิตาเลี่ยงชีวิตโดยทั้งที่ชอบจะได้หายกินซีฟันตัวจะไปอกพร้อมไมมารับผิดชอบเจ้าของเท่าไหยันมันเพี้ยนันตัวว่ามันสอนอคีขันในหลวงสอนพรในพยันได้ล้นี่มาทาขยันดังนี้ขยันโลเป็นทรัพย์ของเฮานนะขยันโลขยันโดนเป็นอริทรัพย์ของพวเราอย่าจนเถอะแม่จนเงินจนทองจนข้าวของก็อย่าจนสติปัญญา ให้ลูกจัดตัวไม่ไงหน่อยบ้านถามาไปยอาุเก่าสิบสามปีย่งหนึ่งเขาได้ถามเราว<ม>ังถามลูกสา ว, วาเราวังเจ้าเขาลูกสาวเราว่ะฉันเราเคยเห็นแม่ห้แม่โกรธจ้าเถียงตาพัดฉันหัวจะพ่วงมาเราก็เห็นแม่โกรธปู่ปูป่ปีๆดาลูกตาเก่าเพราะเห็นจ้าเพียง นันล่ะคนใจดีอายุญญเยินเก่าชิดสามปีแบบย่งหนึ่งเขาให้ลกูกลูกไปให้ไปหน้าแม่รัม่าแม่หนึ่งเขาใช้กล้องอมอมป่องเก่าิดสามปีค่อนใจดีอายุญญเยินว่าไม่ปรารถนาสาธุน อ, อขอให้อายุวันนาสุขคราภละโมแมนต้องมาทําตรงนี้ทําใจตรงนี้เรืยย่อยากแจ่มใสใจดีใจน้ำว่างว่างปล่อยปอยหยุดหยุดเย็ยนเยน็น ต้องรักษาตรงไหนใครผู้ใดมารักษาเขาต้องรักษาเองนะทำใจทำใจทำใจเวลาหนักก็วางเวลาร่อนก็เย็นนะเอา <c oughs> เฉยๆอย่า <c oughs> <c oughs> งบ น, บนงี <c oughs> ้ไหมบอสฮะ <c oughs> อะไรก็เ <c oughs> ออคือว่ มมมมไม่น้อยวม่ทำมาไสไหมแม่พอทะยศุกพอทะยศใยแม่แม่บวกไข่เสียงหน่อยกําลังไหนแม่เอวดเสียงอะไแม่นี่แม่พอ ท, ยทยยนะอยศุกแม่ทะยศุกนี่นะอะไรอย่างแม่แม่บวกไข่เนี่ยืออย่างไรเสียอหน่อยให้เสียง โอ้ยหบก่าเลื่มเรื่มสองเท่าพขยงกันอยู uh, ่หนาแม่ถมแม่ถมกับแม่น hmm. right ่อยบอกแม่ย uh, ังเป็นส <Yeah. S 2> right ื right ่อแล้วเก้าสิบเพื่อนหรออ่าเราจะอ่อนก็ะจอกหลวงพ่อนบ้านอะไพ่อเ0็บคิดงานค้างานค้าหลายหล้วใช่ไ้มไปรอดพรอว่าจะได้พ่อเจ็ดปีเนี่ยนะอ่าต้องทำใจทำใจทำใจเด้อพวกเราอ้าว อันนี้็สมมาภาควรแล้วก็สินแม่สินก็คืนหนึ่งวันหนึ่งแล้วต่อไปก็ทำพิธีทางาศาสนาสมาทานสินกันตามสมมุิกัญญิของโลก